จะถึงสุขสีก็พละศีลสีเลระโปขสัมปทาจะถึงโปขสมบัติก็เพราะศีลสีเลระนิพโยติงยันติจะถึงเึ่งความดับกิเลสปัญหาทั้งหลายก็เละสินปัตตสมาสีลังวิโตทะเยดังนั้นสาธุชนควรคําละศีลให้บริสุทธิ์สะอาด เบอร์เศนบริสุทธิ์สะอาดแล้วสมาธิและปัญญาเอาไว้ก่อนเศษบริสุทธิ์สะอาดดีเมื่อเรามีสติสังวรระวังตั้งใจดูว่าจะละทั่วแต่เพื่อดีทำใจให้บริสุทธิ์สะอาดสำรวมในศีลตาหูจมูกเล้นกายและใจนีเป็นทางตัวแผงความดีและความชั่ว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 แต่ใจสัมปัญญะตัวนี้ไม่ดีมีพลังอ่อนไม่สามารถที่จะควบคุมความรู้สึกนึกคิดและอารมณ์ได้มีตาก็ตาหาเรื่องมีหูก็หูหาเรื่องมีสมองก็หาเรื่องมีลล่นก็หาเรื่องเิ้นมันหาเรื่องอย่างไรเขาทําจับข้าวให้ทานก็มันไม่ถูกปากแม่หาเรื่องมาแล้วจะได้มีตายสัมผัสก็หาเรื่องนอนไม่ดีก็ขบุญ นอนปิดที่ก็บนเอาเด้วย น, นอนไม่รับมันเปลี่ยนที่อันนั้นเรียกว่ามีกายหาเรื่องจะได้มีจ็บมีใจรับรู้อารมณ์อะไรเอาก็หาเรื่องหาเรื่องจุกจิกให้กับตัวเองใครไม่มาขอเรื่องก็ก็ออเรื่องในตัวเองนั่นเลยสร้างความทุกข์สร้างความเดือดร้อนให้กับตัวเองไม่หยุดหย่อนก็อาจอัตติสัมปชัญญะอย่างเดียวเท่านั้น เพราะเศนไม่บริสุทธิ์แติสัมปจัญญะจึงฟันเปื้อนประชดันศีนนี่จึงเป็นสิ่งจําเป็นที่เราจะต้องําระให้บริสุทธิ์สะอาดตามขั้นตอนเมือ่อศีนบริสุทธิธท์สะอาดดีก็เปรียบเหมือนกายวาจาของเราเป็นพื้นที่ที่ปราดดีแล้วนอกจากจะปราดดีแล้วอย่างแต่ ยัางแสมนา้ แ, แ่โต้นนา้ตมปุ๋ยลงไปอีกปูกสังอะไรลงไปมันก็จเจริญ ง, งอกงามดังนั้นก็จินสมกับคันติพระ่านเทปปันแบบนี้จะได้แสดงธรรมมเทศนาความตอนตองสมเด็ดเลจละสำมาจัมพุตุดาวขอให้อยาดโจมจงตั้งโตรบปบาตาทองทำกายใจให้เป็นภาชนะทองรองรับและทำมาเทศนา ก็มีศสีลบริสุทธิ์นั้นเด็กกายกับใจจึงกลายเป็นผ้าชนะทองคอยรองรับพระธรรมเทศนาพระธรรมเทศนาที่กล่าวกลงไปนั่นเปรียบเหมือนสิ่งที่บริสุทธิ์สะอาดดีแล้วถ้าผาชนะทองของท่านบริสุทธิ์สะอาดถูกขัดลอกให้สะอาดแล้วอะไรลงไปมันก็ยั ง, งส่งรักษาความสะอาดและบริสุทธิ์เอาไว้ได้ไม่มีเปลี่ยนแปลงแต่ถ้ามันสกปรก ล, ละ ของสะอาดจจเข้าไปมันก็ลอยสกปรกไปหมดนี่แหละหลับการมาอยู่ที่ตรงนี้ที <c oughs> นี้ขอทำความเข้าใจกับบรรดาท่านผู้ฟังทัางหลายอีกครั้งว่าออการปฏิบัติสมาธิเนี่ยไอ้ปัญหาต่างๆที่มันยุ่งๆทำให้เราเกิดสงสัยอยู่ไม่สุดจนก็คือวิธีการปฏิบัติสมาธิ วิธีการปฏิบัติสมาธิมีหลายแบบเฉพาะสมวิธีอย่างเดียวมีถึงสี่สิบอย่างและนอกเหนือไปกว่านั้นก็ยังมีอยู่อีกอยู่ในเฉพาะวิธีวิปัสสนานก็มีมากมายหลักเกณฑ์ก็ยกเอาธาตุเอาขันเอาอาญตนะมาพิจรารณาให้เห็นอนิจจงทุกขังอนัตตา วิธีการเนี่มันมีหลายมันเข้าคนนองที่ว่าหนังสือก้อมต่างคนต่างมีหนังสือก้อมต่างคนต่างมีหนังสือก้อมมันหมายถึงคำพี่น้อยๆที่จดมลเอาไว้คนโบราณเขาจารใส่ไฟล์านเขาเรียกว่าหนังสือก้อมมันไม่ยาวอย่างดีก็แค่คือ ใครมีมนคาถาอะไรก็บันทึกไว้ในนั่นละ่ะบันทึกแล้กวก็หวงอย่งางไรมีไม่ยอมให้ใครแตะต้องอันนั้นเขาเรียกว่าหนังสือก็มันคนละคำทีมันเป็นคำพีของไสยาศาสตร์มันต่างคนต่างเรียนต่างคนต่างรู้ต่างคนต่างยึดถ้าเราไปเรียนธรรมะเรียนปฏิบัติแบบเรียนไสยาศาสตร์เรายุ่งตายยุ่งตายจริงๆ ก็เราจะประสบปัญหาต่างๆอยู่เสมอว่าการปฏิบัติแบบนี้มันไม่ถูกอย่างนั้นมันจึงจะถูกในตราตรายที่เรายังขาดแค้งยังเสียงกันอยู่จะเป็นใครก็ได้ถ้ า, าคำพูดนี้มันจะเป็นเหตุให้อัตมาต้องตกนรกก็จะขอเป็นลอยจมไปอาบน้ำในหม้อนรกให้มันสบายใจสักหน่อย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 ถ้าหากว่าต่างฝ่ายต่างรู้ต่างฝ่ายต่างเห็นต่างฝ่ายต่างเป็นเจอกันแคเข้าไม่ต้องคุยกันเอากันจะเกียงเจอหน้ากันหรือไม่เจอหน้ากันแต่ปมเจ็บปงใจมันเสมอกันยังสัมผัสรู้กันได้อยู่คนละฟ้าฟ้าแดนดินยังสามารถส่งใจไปคุยกันได้ทําความเข้าใจกันได้ น, นั่นสําหรับผู้เป็น คนทั้งหลายที่เถียงกันอยู่ในปัจจุบันนี้คือคนไม่เป็นในภาวนาแบบไหนอย่างไรก็ตามนั่นมันเป็นวิธีการเท่านั้นธโคตโพก็เป็นวิธีการยบล้อคองล้อเป็นวิธีการสัมมาอารหังเป็นวิธีการกาหนดลูกนามเป็นวิธีการกาหนดอะไรเป็นวิธีการเพราะวิธีการปฏิบัต สมาธิวิปัสสนานี่ก็บกความจริงที่เรายอมรับก็คือว่าต้องทำจิตให้มีอารมณ์สิ่งรู้แล้วก็มีสติแล้วลกรู้ดูในขณะจิตที่สัมผัสรู้อารมณ์นั้นๆในจุดมันอยู่ที่ตรงนี้เพราะฉะนั้นเลิกเสียงกันกสติถ้าใครปฏิบัติแล้วสมาธิมันเกิดขึ้นที่ถูกต้องกันจริงๆ เราจะไปพบกันตรงที่สมาธิที่ประกอบด้วยองค์ฐาน5้าองค์ฐานห้ามีวิตกวิจารติตีตศกเอกขจาต์นานและจุดนัดพบของเราอยู่ที่ตรงนั้นใครทำสมาธิที่ถูกต้้งแล้วเรามีจุดนัดพบกันที่ตรงนั้น พอสมาธิเกิดขึ้นแล้วมีวิตกวิจารตีสุขเอกภพตาจหนรองทานได้อย่างถูกต้องแน่นอนเข้าใจในหลักการทำสมาธิได้เป็นอย่างดีแล้วจุดเทียงกันทานทีแต่ถ้าว่าสมาธิของท่นานสู้ใดบริธรรมภาวนาแล้วสีวะสีวะสีวะสีว ะ, วะเอ้าพอจิตสบบสว่างคลบลงไปนิดหน่อยก็สีวะมาเดินคนโทอยู่ต่อหน้า น้อมเอาพระชีวะเข้ามาประทับตรงนั่นแหละมันจึงจะเสียงหมู่เพราะไปเอาขีมาเข้าในจิตในใจกลายเป็นศาสนาผีไปแล้วถ้าว่าท่านใจสงบเป็นสมาธิลงไปมีวิตกวิจารปีสุขเอัขคตานี่มันเป็นสมาธิที่ประกอบด้วยสภาวะรู้ตื่นเบิกบานแกมใสเป็นพุทธะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นสมาธิ ของพุท ธ, ธสมาธิพุท ธ, ธพุท ธ, ธตัวนี้เป็นคุณธรรมที่ทำทิฏฐิของคนทุกคนที่ปฏิบัติถึงแล้วให้เป็นพุท ธ, ธลักษณะจิตเป็นพุทธจิตจะต้องเป็นอิสระเป็นที่ไม่ตกอยู่ในอำนาจสิ่งใดไม่มีใครจะมาช่วยโยนจิตให้ถึงมรรคนิพานได้แต่หากพลังจิตที่อบลมด้วยศีสมาธิปัญญาแก่กล้าแล้วนั่นแหละ จะปฏิวัติตนไปสู่โูมจิตโูมธรรมจนกระทัง่งถึงบรรลุพระนิพพานไปเองดังนั้นสาธุชนทั้งหลายเพิ่งทำความเข้าใจให้ดีว่าไม่มีใครจะมาช่วยจนบรรดาจิตของเราให้เป็นสมาธิไม่มีใครช่วยให้เราเกิดปัญญาในสมาธิไม่มีใครมาแบกมาหามมาปุ่งเราไปสู่กนิพพาน แต่วิถีทธิ์ตของเราเสื่อมกรบรลมให้เกิดคุณิธรรมแห่งความเป็นพุทธะรู้เตื่นเบอรบานเป็นตัวปกติอยู่ตลอดเวลาศีลบริสุทธิ์เจตบริสุทธิ์เติปฏิบัติมุ่งตรงต่อพระนิพพานไม่ปฏิบัติก็เห็นแก่อามิสเห็นจ้างรางวัลปฏิบัติเพื่อความรู้ยิ่งเห็นจริงปฏิบัติเพื่อ ให้บรรลกคุณธรรมคือความเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสร้างคุณธรรมที่ทำ ค, คนให้เป็นประพุติเจ้าให้เกิดขึ้นในจิตในใจได้แล้วจิตของเราจะปฏิบัติตนไปสู่โูมจิตโูมธรรมเองโดยอัตโนมัติแต่จะลืมว่าศีลต้องเป็นหลักประกันความปลอดภัยเพราะฉะนั้นศีลจึงเป็นสิ่งจาเป็นที่เราจะต้อง ทำให้บริสุทธิ์สะอาดรู้อยู่กับสิ่งนั้นๆในปัจจุบั น, โฮโฮนอดนอพ อ, อเป็นอารมณ์จิตโยนหนอทองหนอเป็นอารมณ์จิตสัมมาอรหังก็เป็นอารมณ์จิตเมจิตมีอารมณ์ให้มีสติรู้อยู่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 ในมาจิตมันกินอาหารไม่เป็นหาไม่เป็นต้องจับยัดปากมันต้อนให้มันรู้จักกินเหมือนเหมือนกันกับเด็กน้อยที่ไม่รู้จักดูดนมไม่รู้จักรับทานอาหารพ่อแม่ก็ต้องป้อนใส่ปากให้ฉันใดจิตที่ยังไม่มีสมรรถภาพในการที่จะาหาอาหารกินเอง หรือเมื่อมีอาหารแล้วไม่มีปัญญาจะกินด้วยตนเองต้องอาศัยคนอื่นป้อนดังนั้นในขณะที่เราภาวนายังไม่เป็นจิตาอาลธรรมเครื่องโลกเครื่องละลึกของตนเองไม่เป็นโดยลําพังต้องหามาป้อนให้อารมณ์ที่มาป้อนให้นั้นคือบอริกรรมภาวนา บริกรรมภาวนาคือจิตนล็กอยู่ในครคำเดียวเช่นพุทโธพุทโธพุทโธสัมมาหังสัมมาหลังแล้วก็ยกหนอกองหนออันนี้เรียกว่าบริกรรมภาวนาในถ้าหากว่าใครมีความคิดมีสติสัมปชัญญะพอมีพลังงานหน่อยกําหนดรู้จิตของตนเฉยอยู่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 เมื่อมันว่างดูที่ความว่างตั้งใจดูมันไปอย่างนี้หามันเคล็ดเร็วขึ้นเอาดูที่มันจะเค็ดไปถึงไหนอันนี้ทางปฏิบัติสำหรับผู้พอมีสติสำปัญญะบงังแต่ผู้มีสติจังอ่อนให่กำหนดบริกรรมภาวนาให้มากๆเขึ้าใาจภาวนาให้ได้สมาธิ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 จะจนิจาราอะไรันก็ชัดก็จิตมีพลังงานและอีกอกางหนึง่งสมาธิเป็นอุบายวิธีระงับนิวรธาตามมสันทะพยาบาทสินมิธะพุทะจากุกุจะวิีกจิา ความใกล้ายใกามความพยาบาทความปุ้งสั้นลำคาญความลังเลสงสัยความง่วงเหงาหาวนอนถ้าสมาธิขั้นสมาะเกิดขึ้นสิ่งเหล่านี้มันจะหายไประงับไปยังเหลือแต่จิตที่มีเปรตมีความสุขมีความปลอบปลงเมื่อเป็นเช่นนั้นเราจะกำหนดอารมณ์อะไรนิวรณ์ไม่ลบลวนเราก็สบาย แต่ที่จรดาอะไรก็ปลอดสงเพราะนิวรมันระ ง, งับไปแล้วบทประสงค์ของการทำจิตให้มีสมาธิขั้นสมถะก็เพื่อระ ง, งับนิวรณ์ทำผ้าประการนี้นิวรณ้านี่มันเป็นอุปรสรรคในการปฏิบัติผ้าพนาใ ด, ดมันเกิดขึ้นมาแล้วปรากมันไม่อยู่ตอนนั้นทำสมาธินี่เอาดีไม่ได้ ล้มเหลว ท, ทันทีถ้าพลังของนิวรณ์ข้ามแรงคือเรียกว่านิวรณ็เพราะมันเป็นนิวารณะคอยปิดกั้นคุณงามความดีไม่ให้เกิดขึ้นพอตั้งใจจะเอาดีพับมันจะแ ย, ยทท่ทันทีทีแรกมันแย่ยน้อยๆก่อนนี่พอแย่ยไปเราก็ตกกระดิ่งรู้สึกเกียวๆสีข้ามันจะเล่นงานใหญ่เลยจีินดัน กิเลสมันเป็นอย่างนั้นเราจ ะ, ะนั้นต้องฝึกสมาธิให้เข้มแข็งได้สมาธิสามารถเข้าสมาธิได้ทุกขณะที่เราต้องการจะเข้าได้นั่นเป็นอุบายสามนิวรณ์เมื่อนิวรณ์มันไม่ลบกวนจิตต่อสงค์มีโอกาสกำหนดรู้อารมณ์จิตและจิตของตัวเองด้วยความมีสติสัมปชัญญะแล้วจะเกิดสติปัญญาขึ้น เอาดังนั้นต่อไปนี้ขอให้ท่านทั้งหลายจงกำหนดอารมณ์กำหนดอารมณ์ภาวนาตามที่ตนเคยปฏิบัติมาแล้วอย่างไรจะเปลี่ยนตามคำแนะนำของผู้พูดเพราะได้พูดแล้วว่าวิธีปฏิบัติยหนอก็ดีสัมมาหังก็ดีพุโทโธเป็นเพียงวิธีการ แล้จะปฏิบัติแต่พิจารณาในโท่มแห่งวิปัสสนาก็เป็นแต่เพียงวิธีการวิธีการดังกล่าวนี้เมื่อปฏิบัติแล้วเราจะไปพบกันตรงที่สมาธิสมาธิที่เรากอกคือองค์วิตรวิจารปีสีสุกเอตขจตานั่นคือจุดนัดพบของนักปฏิบัติเมื่อโฟมจิตเข้าไปถึงขั้นนี้สมำเสมอกันแล้ว เข้าใจกติไม่ต้องคุยกันก่อนเพราะฉะนั้นอาสมะขอนัดนัดปฏิบัติทั้งหลายให้ไปพบกันที่ปฐมฌานคือสมาธิที่ประกอบ ด, ด้วยคงคือวิตกวิจาร ป, ปีสุขเอกัตาอาขอให้ทุกท่านจงพยาญาณเดินทางไปสู่สุดนี้ให้ได้ดูจิตของเรา ใด้เรากำหนดรู้จิตของเราเราจะรู้ว่าจิตของเราว่ารู้ว่าจิตของเรามีอารมณ์รู้ว่าตายของเราจะมีปรากฏอยู่เมื่อตายยังมีปรากฏอยู่เวทนากัปรากฏอยู่ สัญญาความทรงจำได้หมายรู้ประดาปดจูสังขารความคิดตกแต่งโดยเจตนาหรือไม่เจตนาก็มีอยู่เินญาณความรู้ระหว่างจิตอารมณ์สัมผัสกันก็ยังปราบปอจูเบียงจะกำหนดรู้จิตโดยตามตั้งใจเท่านั้น ถ้าเรามีสติมีปัญญาเราจะรู้กายเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอยู่้อมในขณะจิตเดียวากำหนดตามแผนของมหาสติพัานากำหนดรู้จิตทัศกายปารากฏเราจะรู้ว่ากายมีอยู่ เวทน า, าตาบดเรารู้ว่าเวทนามีอยู่ความคิดาตาบดเรารู้ว่าความคิดมีอยู่จิตมีอยู่อาชัมคืนนิว ร, ราตากฏความอุดหิ ด, ดนุ่งห่านลำพานเึิงมันจะเกิดขึ้นมาเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติก็ยังตากดอยู่ ก็มีกายถ้าตายหายไปเวทนาสัญญาตั้งขานวิญญาณนามมาทส่วนปรุงแต่งายไปหมดยังแต่นามรู้ตื่นเบิกบานลากฏจูได้จิตอย่างเดียวแขนของมหาสติปัจฐาน เมื่อกำหนดรู้จิตกายเวทนาจิตและลธรรมก็ยังตากหอยู่เมื่อตายหายไปเวทนาจิตธรรมหายไปหมดยังเหลือแต่อกเบขาเวทนาสุขเวทนาหายทุกเวทนาหาย ยังเหลือแต่เวทนากลางๆล่า ง, งั อ, อุเบขาเวทนาไม่สุขไม่ทุกข์เจตสงบกลายเป็นความเป็นกลางอย่างเที่ยงธรรมในหมวดแห่งการพิจรารณาขันท้าก็ดีพิจราจรณาสติสถานสี่กายเวทนาจิตธรรมพดีเมื่อจิตสงบลงไปแล้วมีลักษณะอย่างเดียวกันหมดจจตสงบก็คือสมาธิ สมาธิที่ประกอบด้วยองค์ก็คือวิตกวิจารตีติสุเรัปะตาสังเกตดูให้ถ้าเราจะไม่นึกถึงว่านี่โลกนี่น า, ามก็ตามแต่เราตั้งใจกำหนดอารมณ์จิตรูล้ลงที่จิตเมื่อเรารู้สึกว่าโลกลาปอดจูก็เป็นการกำหนดโลกเวทนาเกิดขึ้นโลก ก็เป็นการกําหนดเวทนาสัญญาในอดีตมันเกขึ้นมาก็เป็นการกําหนดรูดสัญญาความเจ็บเองนมันปรงขึ้นในขณะเจิตนั้นก็เป็นการกําหนดรูดสังขารติดสัมผัสรูสิ่งใดเกิดความรู้ขึ้นก็เป็นการกาหนดรูวิญญาณ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 มันจะสามารถรู้แล้วกอแยกสิ่งเหล่านี้ออกเป็นคนและส่วนและส่วนได้ตามจังหวะของจิตที่มันจะกาหนดรู้เราความรู้ของจิตนี้การกาหนดรู้ของจิตจิตัวเดียวจะกาหนดอารมณ์ทั้งสองอย่างไม่ได้ต้องรู้ชัดอย่างใดอย่างหนึ่ง สิ่งใดที่เกิดขึ้นเพก็การสัมผัสทางกายจิตสามารถกาหนดรู้ได้เป็นอย่างร้อนเย็นเข้ามาป้อมๆกันแต่เข้าคนละจุดจิต ส, สามารถกําหนดรู้ได้ว่าตรงนี้ร้อนตรงนี้เย็นเพราะว่าเรื่องของกายกับจิตเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กันจนเครื่องตัวจนทันนี้ตำนาน เรื่อของกายจิตไม่ได้ตั้งใจจะรู้แต่เขาก็รู้รู้เองโดยอัตโนมัติสบายไม่สบายสุกสุกเลือตอนมุ่นวายหรือตอดตรงไม่ได้ตั้งใจจะรู้แต่จิตเขาจะรู้ก็เขาเองถึงีะเรารู้เองเป็นเองเนั่นแหละเรื่องปัจบัธรรมชาติ เรามาปฏิบัติทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อจะสร้างสมาธิสร้างสติปัญญาให้รู้เท่าทันสิ่งที่เป็นไปเองโดยธรรมชาติจนสามารถทําจิตให้รู้ว่านี้กฎของธรรมชาตินี้กดของธรรมชาติรรมาตแม่เราจะไปคัดค้ า, านผ่านทานมันอย่างไรมันก็ไม่อยู่ดอกเกิดมาแล้วมันแก่มันเจ็บมันตาย จะไปกันไม่ให้มันเปิดแก่ไม่ให้มันแก่เจ็บตายเป็นไปไม่ได้เมื่อตายแล้ววิญญาณออกจากร่างมีแต่ร่างกายเปล่าๆจะไปป้องกันไม่ให้มันเน่ามันก็ป้องกันไม่ได้อย่างเชื่อเขาอาบมัมมี่เอาไว้นั่นมันไม่เล่าเป๊ะก็จริงอยู่แต่แมันก็ยังแสดงอาการเน่าอยู่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 และว่วนตี๋้อยออกไปนั้นซึ่งเกี่ยวกับเรื่องของสังคมกันอเอื้อเพื่อเผื่อแต่การสงเคราะห์ซึ่งกันและกันการช่วยเหลือเชือจนซึ่งกันและกันอันนี้เป็นหลักศีลธรรมประจำโลกแต่ไหนแต่ไรแล้วประสงคเคราะห์เป็นคำสอนของพระโพธิเจ้าเหมือนกันก็เป็นอุบายวิธีการที่จะปลเร็จเราปรับปรุง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 โลกนี้ก็เปรียบเหมือนเอาแสดงหนังแ จ, จะแสดงละคร น, นั่นแหละแต่ละคนเกิดมาเป็นพระเอกนางเอกในตัวต่างคนก็ต่างแสดงละครไปตามบทบาทของตนแต่ถ้ามีตถาคตย่อตัว ส, าว ส, สมาธิปัญดาอันยิ่งจนได้เือดขึ้นจนถึงจะเป็นตัวจุสจุดจนจะเป็นจุดปัญดาเป็นจุดปัญญา เราไม่ต้องกลึงไม่ต้องแต่ง้มันเป็นไปเองโดยอัตโนมัติก็มันมีพลังเสราเขาจะทําหน้าที่พิจารกาและใส่ใจตัดสินตามอุบายซึ่งจะแค่แถึงตัมาที่ปัญญาอันเป็นสุนทธรรมจะเน้นตึงตดให้เป็นไปได้ตามพลังของจงอางการดีมันนั้นมันก็กลายเป็นธรรมัตถศาสตร์ได้หรือสามารถกาหนดปัดสินได้ขาดทุกเไื่ําในดังอรหัต เป็นยอดแห่งลัมหาาลาละมีสัตว์เล็กก็ไม่านด้วยปาล้านิ